เด็กน้อยกับปีเสื้อนานมาแล้วมีเรื่องเล่าลือกันว่ามีพระราชวังหลังหนึง่งงดงามด้วยสวนดอกไม้นานาอันชื่อเสียงความงามจุดสวงสวรรค์และอาถรรพ์ของสวนดอกไม้ที่นี่นั้นร่ำลือไปทั่วสารทิศ ความน่าพิศวงของสวนแห่งนี้อยู่ตรงที่พระราชาทรงไม่กีดกันใครสักคนเลยที่จะเข้ามาเยี่ยมชมทรงติดป้ายที่ปากทางเข้าสวนว่าผู้รักษาจิตใจของตนได้จงเข้ามาเถิดป้ายนี้บอกเป็นไนว่า หลายคนไม่ได้กลับออกไปจากการชมสวนแห่งนี้เลยป้ายเตือนสติอีกแห่งก่อนทางเข้าชมสวนคือที่นี่ไม่มีทางออกหากเด็ดดอกไม้แม้แต่ดอกเดียวเด็กน้อยผู้อยากรู้อยากเห็นคนหนึ่ง เขาปรารถนาจะไขข้อข้องใจในความงามอันยวตายวนใจของสวนแห่งนี้ประกอบกับการที่เขายังเข้าไม่ถึงความสำคัญของการรักษาจิตใจตนเองเขาจึงเข้าไปชมสวนโดยปราศจากการไตรตรอง ขณะที่เด็กน้อยก้าวเข้าไปในเขตสวนเขารู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดค่ะมันน่าแปลกตรงที่เขาหลงลืมอย่างฉับพลันถึงความรู้สึกแสนธรรมดาธรรมดาของธรรมชาติ ร, บรอบๆตัวเมื่อประสาทสัมผัสทั้งหมดของเขาถูกกระตุ้นเร้าไปพ ร, ร้อมๆกันด้วยความงดงามของรูป รสกลินเสียงสับผัดเขาก็หลงอยู่ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นเองทันทีเด็กน้อยถึงกับอุทานขึ้นว่า โอ้เสียงลมพัดลิ้วไหวดุจ ด, ดนตรีจากสวงสวรรค์มกลิ่นนี้ช่างหอมหวานชื่นใจลมก็พัดเย็นกายดอกไม้นี้หน้าเด็ดดงเดินไปเพลินไป ยิ่งไม่อยากกลับออกไปไหนเลยล่ะค่ะเขาลืมคำเตือนทั้งหมดดอกไม้ในจินตภาพเหมือนจะเพยเยอะกรีบปากร้องเรียกให้เขาเด็ดไปครอบครองเด็กน้อยไม่รีรอที่จะเด็ดดอกไม้งามมาหนึ่งดอกทันใด กลิ่นหอมที่กำลังสูดดมอยู่นั้นได้ละลายร่างของเขากลายเป็นผีเสื้อตัวน้อยกระเพือปีกอย่างดิ้นรนร้องกับเสียงกล้องกังวานมาจากทางด้านหลังว่าเด็กน้อยเอ๋ย เ, <อ>เ<อ>จ้าต้องคำสาบเสียแล้วเพราะเจ้าลืมกฎ <ขอ S 1> เกณฑ์ ลืมกายลืมใจชีวิตของเจ้าจึงเหลือเท่านี้หน้าที่เดียวที่ต้องชำระคือจงประสงค์เกสรเพื่อสร้างดอกไม้ใหม่จนถึงหนึ่งร้อยดอกที่นี่แล้วมนสาบก็จะคลายสิ้นเสียง ผีเสื้อตัวน้อยหมดหน้าที่คิดเขาอาศัยสัญชาตญาณดำเนินชีวิตไปอย่างมีจุดหมายเดียวก็คือการสร้างดอกไม้ใหม่ทุวกวันเขาจะกระพือปีกบินเวียนวนไปพร้อมๆกับเด็กน้อยผีเสื้ออีกหลายชีวิตเพื่อชำระโทษของการลืมกายลืมใจ วันแล้ววันเล่าด้วยความเพียรพยายามเขาก็เสร็จสิ้นภารกิจของการสร้างดอกไม้ร้อยดอกโดยไม่รู้ตัวคะ่ะร่างของเขากลับกลายเป็นเด็กน้อยคนเดิมด้วยความดีใจและสํานึกดีเขารีบไปเข้าเฝ้าพระราชาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง และขอโอกาสทำประโยชน์กลับคืนโดยอาสาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดด้วยการขอเป็นยามเฝ้าปากทางเข้าชมสวนสศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และคอยเฝ้าเตือนเด็กๆทุกคนให้รักษากายใจตนเอง และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่เช่นนั้นเด็กๆอาจจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเช่นเดียวกับเขา ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารอบๆตัวเราล้วนมีสิ่งยั่วยวนใจให้ไหลหลงมากมายนักผู้มีสติดีจะคอยดูกายดูใจเตือนตนเองเสมอยามเราเล็กๆยังมีคุณพ่อคุณแม่คอยเตือนเราจงเชื่อฟังและขอบคุณในความปรารถนาดีของท่านนะคะ และจงอย่าหลงไหลเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนทั้งหลายซึ่งอาจจะนำความทุกข์หรืออันตรายมาให้โดยไม่รู้ตัวยังมีข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อีกค่ะนั่นก็คือ ขอให้เห็นความสำคัญของความงามธรรมชาติอย่าเสพด้วยความไร้สติและเห็นแก่ตัวมิเช่นนั้นธรรมชาตินั่นเองที่จะกลับมาทำลายเราเพื่อความปลอดภัยจำให้ขึ้นใจนะจ๊ะไม่ว่าเด็กๆจะไปที่แห่งหนไหนจงเคารพกฎเกณฑ์ของสถานที่ที่นั่นด้วยล่ะจ๊ะ